วันอาทิตย์ต่อไปี่มีโอกาสไปเช็ดโรกขี้มรักษานตามเขานีบนไว้เดือนเดือเธอเสพมาเลยไปเช็ดทีอาิตย์ใหญ่มากกว่าไปเช็คเหรอเข้าไปใช้กระด้ามเ็ต่ออาทิตย์นี้เช็คก็คือว่า เออจริงเลยเพรบว่าว่าความ่าบาดเราจะไปเที่ยวตามตามอากาศน้องกำลังเกยวของซะก่อนเก็บก่อนเท้าไปน้องกำลังไปเลยกลับมาโยสมุทรคอดึกันสบายอยู่น้องไปอีกไปการขึ้นน้องนอนเมืองไปบัดบึงอุทยาต้องขึ้น มาซิงจก้กสามคืนอยู่บ่ไรหนูซึ้วันนี้ยากหลายพัสดของมากทีเดียวแล้วก็เกลียวแกลอากาศข้าล่างมันจะบแข็งแรกขูกค้นประชาชนอ ย, ายอ่าย่อมคิดดูหาไปมาอย่าเข้าใกล้ถามจนเป็นนุ่มหมไปอยู่สองคืนกับ เห็นกำลังเขนจะฟ้องนะผเห็นกำลังเขาจะฟ้องนะ เ, เรื่องแบบนี้คืออะไรก็แค่บ้ า, านะพอใจไมดสุนี่เลยอืมพอใจได้หยาดข้นไะด้กูหยาดเยี่ยงหสาดพิกนะุขาน่ะหยาดหยาดหยาดโยมเะต้องช่วยองจากอันนี้เท่ารับเมื่อมันเจอเท่ากับเก้า จะทำมาเบามคุยเ่โมค่คนเร่สองโมงบูไหว้มาได้เขาจะห่างกันการที่ว่าต่างขอยังึืนมาโมดีอิทละกันสิทีกันเดียวนี้ด้วยว่าคืนจะไปที่ไหนเศร้าไปเที่ยวกันเที่ยวนี้กับเศร้าทีอยู่สมุทรสคร่อยู่น้ำห ม, มเกิดใช่มอเกิดใช่ อยู่ค่อยๆปูดกันหน่อยนัมีดินมีแ่แปงอยู่นอกเมืองให้เราปลูกอัศาวินังนึงมีเป็นวัดเป็นวัดเอาไปอยู่นี่สบายเหมาะจาะบริเวเกี่ยวอีกยังบริเวณัดของเข้าไปอยู่สบายวันหเมื่อหนึ่งเรได้เหมือนกับบริเวณนมาหาไปพัก์ตามภูเ่า พ่วยลปพักไปพอนคนมั่อไนร่เท่ากับหมู่เรือหมอเขานี่ยหอนั้นจะหาหน้าที่ริบหน้าที่เข้ากันี้หู่จักทันทีคือเมื่ อ, อวันเท่านีย่ยพบว่าโอ้ยรนบบหุ่นจักยังแบบดูเคยขุดโผล่โยะไอ้คนหักกันเะี่ยโอ้ว่าจะไปนั่งห่มนั่งหลอบกันจนว่า คนจังดอยสัาคัญมันได้มากเยอะาสามพอเพืนอย่างไหนใค ร, รในใจน้อยอีบุหันพ่นสามมาเที่ยมาอีกถามอีกนี่เถื่อนเ น, น่ยนดอยคนเานคนเดียวตายอันนั้นมันมึงของอีกคนสีนําพื้กันหากกันแพร่กันนับถือกันอ่ะกให้ยสบายสบาย มาเห็นแล้วว่าสวัสดิ์กาบซะแต่ฝ่าไายเฮตุลาหรืออย่างอื่นซะเนี่มันนั่งคุยหัวสุบม บ, งง บ, มมบริห่รหมอเขาให้ระงับเสมอไว้ทำงานการทํางานของห้องพ่อเขาว่าเลิกนะทํางานันจะหนีหม้ฟอกว่ามันมเป็นไปขุดดินมันมันมเป็นไปฟันใหม่ตั้งแต่ปากกับคนทีน ก็ห้มีเล่าข้ามจองข้าม ห, หลุเรื่องก็ไปการวา่าการโผล่เขากระบอกให้รอกให้พูดอันนี้คือเรื่งงองทำงานของคนป่วยเป็นการเป็งานเขาห้ยเรื่อ ง, งทางานส้มกับข้อหมูมไม้เห่ า, านั่นแหละวัาไปที่วัดเด็กตั้งเด็กสอนั้วว่ า, น, า น, นี่ได้ปีหลายเดือนเขายืมพ่อขนา ด, ดะ่ะ พอเิ็เป็นยังีอยงกูเกิดเกิดมากูตายใครตายตายอยู่พ่ปนัดเนีมันก็ดีเดียวพ่อปนัดปีหน้ามังหย่อนครับลังเลยมั่นดถดเหนื่อยหลุดเบื่อแล้วเรียนนี่เจ้ามอก็ออยู่สบายให้ใจเป็นอิสระให้มีผ้าเน่นพาอองค์สององค์พอรักษาพได้เร้านนั่งในพักในพอนอยู่สบายอย่างแ น้าวหัวนตายทนั้นเลยโมมียังหรกคุณเงื่อนก็ ม, มีกันบอกใ น, น้าวหันเด็ก้าเทนเอาไปที่พัาเอาเท่านั้นแหละไปเอาใช้ไปรับเขียนรับคนให้บอาจับสารจับงานคือตาวันวไรายตัว น, นี้เสียแล้วข้าวเรเลือกเนะ้ยข้าวขมดีอวามคิดความถูกมูลข้าวหนี้ อยากที่พี่น้องเขาคือกันนั่นนะความหักกันความคือถอดกันเช่นไรมันก็เป็นเรื่องคิดใจควบผมง่ายเดี๋ยวนก็โบเดือดอกเดืดมเดือมาคนตายก็ตายกันยิ่งพาะนานั่นแม่อไหยังเนอ๋อาอุจจาระเพาะรทำสังคมเข้าไหเรื่อยาเบียดเบียนกันย่าคิดฆากันยาบาดกัน เป็นอุบาตุวิษาสินข้ามมันก็มอีอยังเรานั่นเองในทางวิทย์นี่อยาให้มาตะกอนหมอเขาเช็คแบบให้มามาบอกคู่ว่าอาจารย์บอกญาติบอกโยมในนี้ได้ดต้องคว่วนในหูเรื่องในข่วมเป็นจริงหรืมันมดเท่านี้เด็จ้าขอ ง, น, งนัน บางที่กไดรมาบางที่กะบเรมาความจริงมันมอยากมาแหละคืออยู่หันมันมันยังวันส่บายเสบายบันมีคนไปหาสบายคนไปเลามาทังเท่าเลยว่าพวกเรานี่ยเราดีอันี้อันั้นหมอเขาเนี่ยแะหว่างนี้มีโต๊หลายงานอันนี้อยู่เป็นอิสระเห็นได้มักขาดมาไหวแบบเขานไป มีอยังว่าต่องการในอยังเดียวนี้เจ้าฤกษ์ที่จะมีเป็นครูมาครูบ า, าอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเตียนญาติโยมทางไดให้พัดเข้าใจเข้าใจปัญหาม่อยู่ว่าพระพุทธเจ้าวันิี้โกงกรรัรวิเนผัด์ันนี้ผ่านเมื่อไหนคนนี้ผ่านวังเกิดวันเก่าพนว่าสมบทินญาตินโยมหเลยใช่ไหม อ่านเ้ิดิพพานมีคนจม่กินละายคุนก่อตอนนี้มั่นิพพานบัดเสบวชนะั้สร้างบูกสร้างหลานสร้างทีสร้างนอนหมดังขานมันเป็นปัญญาชอันนี้คืดการบวชเป็นยังการเจ็บการไข่นี่ป่ยเม็เป็นเดี่องธรรมดานขายบวเป็นยังงมอเขากัอยเข้มที่อยะโลกนี่มันดับท้ายหายเ่อไร โรคหมอเขาว่าน้องพ่อน่ยได้ขึ้นว่าพ่อปนีเเขาดีใจหลายในย่างไดมในว่าได้มันบมดประฝังเพื่อเพื่อต่อไปโรคนนี้มันจะเพือเพื่อไปนนาอันนี้สือกันเพรไหวไวมันเป็นมากไววมันเป็นหลายพ่อว่าวได้ พ, อดพอ้อโยนงงงงพวกข้าว คือกันขขาใหม่ทีมันโค้แล้วคอยเลยคือว่าเขายั้ขับแล้วร่องแห้งปวดลมแห้งอันนี้คนนักสาวไปพอเอาใหม่ขับไว้ค่อยๆร่องค่อยๆร่องจนกอใหม่เี่ยมันร่องม่อยมันร้องแห้งอันนี้ ค, ค, อ ค, คอือกันกนะมา ก, ม ก, มกนนนค่อยไปค่อยไปตามทางเขามนอันนี้เรื่องตังขานทุกค่อนั่นจริงจริงง้อข้าพอดีได้แฉมีได้ ให้รักานหมอบางคนคือว่าเข้าใจบาหมอเนีน่ยห้ามว่าให้เยี่ยมพ้อเข้าใจคิดของหูเหามันเศราเยี่ยมกันแน่ไปพอแล้วบอต้องเอายังอีกแล่วปนียังสม บ, บูุณ์้น่เลในพักกันเข้าใจถึงนันวิ่นาอาจจมากเลยมากนี่ ทำ ม, มาว่าอันนี้ไปอยู่จักวั น, นั่นไปอยู่อยู่้อยจักรวรรดถามผู้ไรผิ่เศา้าผักครานเป็นหวมันตายหัวนะแ ม, มนมันนอกร่มตายจิบใจส ม, มือเพื่อนกันวันนนอนหลกสมองนี่ คามๆวามเฟอเ้อล้หนาลงหลังปวดทับทอดีตัถามครับเบื่อนว่าฟ้องปูดอีเมนบอหรือมันบมเมนถามไปเรื่อยอันนี้มันเป็นยู่ไงอายุ้ะหมอสมุนนี้มันสบายสบายงง้่ไม่คนไปถามไม่คนไปหาไปครับถึงวิราชเลิก กันเ น, นี่ยคับแล้นี้ฉันเน่กับเขาสีพักให้พัดพอน้องตัวนี้แต่าทางว่าน ม, มีคนอยู่อย่างสบายพอสองควรเขูปดเท่ากขาคนป่วยนี่อันมาอยู่วันเท่านี้ถึงห้โอกาสกันที่ยากหลายเลยยากพอสู้ข้ามเพราะโลกเปน็นยุคสมัยยากพอคว้องับกันพอคล้องแข่งกันพอคล้องนับถือกัน มันมา่าบอะารอยู่จ๊กนี้เรื่องนึงนขาบอกเขาเรื่องนี้เาบอกเาจาเป็นอย่างเดอกเจ้าต้องการเล้วยคอขอพักกรุณนี่่ยในพาะสารีใครอย่างประเทศกุติในเขามาเทศตามปัตถนาเขามันชี เมื่อไรมันเสียเหลวโมจัดด้าวฟังหยุดมันนึ่งพระเทสจรอไปไปจะสอนพู้ที่บันก็นอกพันไปรอไปสร้างเร็วแค่ไหนจะคล้องกับจำอะไรนี่ต้องนานต้องหนักวอาติไปแล้วมาบันกนนอกดีขึ้นตั้งกระสีออกแล้ว ไปอยู่หันองนามพอดีรงพอดีแต่ว่า้าได้ออกไปโบกจักต้องหลงเรื่องเรื่องไม่มาคิดเลยว่าเอออัน้นกระบุรีว่าใันมีเ็ปไม่งนยะไปถึงทุกสักกะสีออกนีออกก็มองมองมันเสียเงินเดี๋ยวไปอยู่กับอะไรต้องเพิ่มมหัน อยู่ๆตจคืมันขีดกันตเลยไปอยู่ต๊ะข้าวห้อมหน้าตันนี้ห้องโตวันนี้มีอาาอืมมี่เลยไปรืบรไปหรอกก็เจ้วก็อารมณมากจะไปเหตุร้ายกันเหตุดีไปนะในไปใครจะไปพักต๊ข้าววันนี้อาหารไปนีมันมอมันอยู่หรเนี่ยมันนมันอยู่ะมันปลย นี hell, ้มันกลัวเลยใจมันหนุทีมวัตถุนี่ยเลิกวัตถุยังเด็กเทียวก็ผลก็น่นอือยากที่ที่นอนเขาโยนกันเอาแพร่แพ้มาเนี่ยเขาพักพ้นแพร่กันนะมันเป็นภพกจ้าทศเจ้วเทืเขาเปอย่างนี้วันละหน้ามาที่ตัวยอ้ะเจ้าจงกระนี้มาเก็บกันยืนยืนมหาบุพมาตายมากก่า ขอไปรอดท่านเมียดุค่นอยากชี้สิดลองหรือมืนอแล้วท่านนะว่านีนยังไปอยู่หรอกคิดใจมันบริยูสุตตะเรียนความรุตุเนี่ยเจ้าต้นลำดีพรไวยทา้งเขาวันท no ัางหันเป็นสมแพงน้อกวัดเนี่ยนะออกไปยังสิทธิันธ์สิทธิภัณธ์ดุท่ันก่อน ออกไปเลยเสือหลอกหน่ยกเลิกซะจะขยายการเมือนออกไปขวัญขเจ้าเร้าเิกเขามันถึงเป็นสาวไันเลิกมันถึงใส่กัวง่ายกัวใกลกับเศรษฐาสตรจะสอไปสามต้องไปสอไปขยายมันออกให้กัดีทุกคนไปขนาดงดไปจะเรียนกันซะ ในสุขีดังนี้เลิกมีแต่การรักษาวันสวาลรักษาสะอาดไปขนาดโยกันเด็กทำง่ายเราต้องเอนายร้ายเนาะเลิกกิจการต่างมันหวงมาหลายเนาะว่าจเศร้าว่าจะร้ายปีนาะจนตมัตายแต่ว่คือตายอืมอันนี้อะไรวะหาม่หมดเลยมากเลิกการที ลงมาสองนีมหากรุณาอาจารย์ ม, มาหายาหายโรคเมื่อเราความคิดเหตสร้างเดี๋มัมีความเห็นิด ม, มาท่าเลยมากคุณาวานไม่หยาบละเยยอียดในกันโกนันนิงหมดต้องพอทั้งหลายเนี่ยต้องพอเน่ พวพังบอพวกขาวบอกคอยเอยเงี้ยการที่งกันหยัดซกหยัดโน้มกันยเียงเนี่ยศัลพรสัลปาต้องยันขันกันกันคราวนี้โอกาสมากกี่ว่านนี้โอกาสมากที่วาันต้องพันเนี่ย ตายอยู่หนีก็ตายอยู่คนนเพราะคนเขา嘛คนเขา嘛วันนี้มันก็สบายคุ้นเคยแต่อยู่สบายอายุหันวั er, นนี้มันจะพกว่าย่หันมันสงบอืมที่ระเบิดตั้งระเบิดดาตั้งคุณน้าครับผมอาจารย์ย่องครับภัยเจ้าภัยสงคน เพิ่งเวลานึ่งคนเดียวที่ทราบไปอะไรหายจิตตัวแทนมากนอนผ่าโยกพังอยากโยกพังมันจะไม่มีังรอะไรอย่างนี้มัก็เป็นเรื่องที่ตายยากคุณจะพานโผไปนาอะไรถ้าทำซอยสังคมหาอยู่ลงไป่งยนเนเป็คุภัณ ใเหยียบย่ำการยับยั้ววาสนาอาตมีปัญหาสะพาออะไรอย่างนี้ เ, าาเาอเเากปดีมเป็นทางเทียงเอามามพูานในภาคนใดาะเลาอกันเหียบกั น, น, กนโอหดีมันโกห์มันโมงแน่ดอกทำสังคมมันดูกันได้ความคิดในใจของชาวบ้านบอกริบนไปไม่หนบหนบับโกห์ดีนะยุฮู้ คือมยุทบอกกันเดี๋ยวเขายุทธกัข้าวโยงไปสร้าหอดูใจานันทุกคนเห็นบอกคู่อาจารย์ได้ข้ออะไเป็นพายเทรงัยแบบที่จริงๆนะยุทท่านถูกคนทุกทุษเด็กหอดูใจยุทธรบกันถข้าวรุมกัข้าเลือยกันแบบนี้ไปตายเถอะใชไปทัางนั้นไป พมื่อไรเงี้ยเขากระด้างแล้วนอกจากว่าทำปัจจุบันนี้เนี่ยมันดีใจมันสบายใจในปัจจุบันนี้จะคงตาสยเองือว่ีก็เป็้้งแล้วการก่อสาทั้งหลายมาจากพ่เนี่ถ้าว่าพอยไม่เข้าใเนี่ย ก็หมดสุดแล้วแหละอืมทั้งหม่งดแล้วเดยเาพหเาอยากโยมอยากจะฉลองมันโอกาสให้ได้ฉลองมัน่้โอกาสคุณโบโบฉลองเลยแหละนั่นนั่นร้ไปนะเป็นสพวาัวไว้ดอย่าง้แหล อาจารียมอาจารย์สู้สองเท่หนังเนี่ยเผาดูดที่นี่ันล่องไม่หลุมตัวไหจ้าแต่ตีตัวแต่ก็แทบกจำอาจารเยอะแยะไปมันไมได้เกิดอะไรขนเมื่อไรนี่โอกาสก็ต้องเทียมั้แม้เราจะถึงไปหรืเล่าอืมกรนไป้นไปแต่เสียดเจ้าดูไปเรื่อยๆเงานเขาต่อไปมันเม็นเรื่องสาคัญอย่างหนึงมันเป็นเรือสำคัญอย่างนึงเกิดคนไปยุ่ไมปคิดมันเท่านั้นนะ c o n ่งถึงไปแต like of ่ถึงไปต้องบอกให้ใช้แถบ e ัดต้องเทียบต้องเทีาะคว่ยควบน้บางยาหลายปีหลายเดือนเนี่ยเห็นที่มีย่างหนึ่งเขานนัยที่จะเงันเนี่นอคนจะในกลุ่มของั้งกลุ่มขงหอดูดีสิ่ีสบาย ไม่ส้ายคนไรไม่ต้เรียนคนไรอยู่ไปถนนคือพรวันษาวานเชิดหน้าไปทางพาะวันหน้าไปคนทุกข้อสมมติว่าเบืองสางการทางกายอืมเอานี่ยสอนษาอนก้นเกษตรมณฑรเทพนว่าตอนให้รับไปดีสอนให้มีพิัหน้าขนุ่นก็นุ่นกนุ่นก็นุ่ ก็เชื่แต่เช่อผููเชคี้วันเนี่ยอืมมวันนี้ไปแต่ทีนี้ไปอีกไปยุคเพรานเนี่ยการโยกเข้าไปหรือโดยเฉพาะการเรื่องคืน <refriger> ห <ated scores> ่วงกับเรื่องห่วงกับเรื่องที่เรื่องของความทุกข์เอ้ามาหนูจะทุกข์จะเหุเกิดควทุกข์หนจะฟ้องรับทุกข์หนจะขอเจ้าไว้จะฟ้องรับทุกข์ ความคือผ่กันเนี่ยนั่งดูดูทุกเกิดความห้องง่ายดานี่ยดูทุกเกิดความสร้างมากสวรรค์ดูการสร้างมากสวรรคนั่ามฆะมันโมฆวงไกล้งามัแบบไม่เหนโ่เห็นตอมันหน้ามันทอมอายตอมันจบในสงรวมหม ขานาบโวกรงจังกรจังคนจังว่าจังเห็นต่อจังตะกอนน้ำนาบจังกรบวนเห็นตอนามมยการต่อคดต้อมต้องโล่ต้องมกันต้องรวเขาอีร่วมเพัน่เนียดภัว่าไปชไปมันมืเห็นองพิสเกี่ยวของมห็นต้องทุกเกี่ยวของทุกกนจ็คดูเกิดทุกกระบวนแจ็คดูแจ็คบ้องแจ็คแจ็คทั้งโลกจ็คอันนี้เือ มันทำมันเก็บันขามันสั้งขายมันเก็นไปแต่วันมุดถึงแล้วมุดถึงแน้วเดี๋ยนามันบกต่อมันโผล่นโอ้ขึ้นต่อขึ้นตอแต่นาแ้วก็อนาบ้นโผล่มาเึ็นต่ออนาม้นโวก่อันโผล่ขึ้นมาขึ้นต่ออนาบ้านเวก่อวันโผล่ขึนมาข้นต่าบ้านหวม่อวันโผล่ขึ้นมาขึ้นต่อ โอ้โหเจ้ะบอกว่าบอกกูอ ouais. ื่นก็ได้นุ๊บอกกูดีก็ได้างคนจะเจาะางคนต้องการความรลยกันบ้างเพราะคนหนึ่งมันเอาทุกความอะไรทุกคนก็มองเห็นสิ่งเดียวกันทุกคนมองเห็นสิงเดียวกันทุกคนบพราะว่าเห็นมันไปมาแต่ไม่หนุนครอบคนี้ กูโกรกกันเยอะแล้วทีแล้วเี๋ยวคือขึ้นหมดทุกขีทุกตายวันเนี่ยไม่ใช่แคนี้เพื่ครแ่เียนะองหมหทนทั้งนั้นเน้ยงเรื่องทุกั้งนั้นอ่ะอันนี้หายเกันที่กันนะที่ทำจนที่ระลึกเป็นตัแทนมากรเบองเหตุการณ์ทำเา กูวาอาจารย์ฟังดูใหญ่ดูเยอะฟังนะจ้าแจ่อย่างศิษย์คับมาเนี่ยสบายนอนบอกคับมาสบายนอนเนี่ยจะตายมั้ยหาครับม า, บมาบน อ, นอยู่ตะฮบตะซุ่นก็ไม่จิงต่างใจนะไ ม, ม่อยาก ค, บคับมาไ่อยากคับมาอยู่วนนี้นคนโมกวนสบาย มันเป็นโลกกวัความดีสภาวะโลกกวันความชั่วสภาวะโลกกวันไม่จำเป็นต้องหาไใจเลยนะกัยการหเรื่องมั้งการหเรื่องคุณว่าอะไันที่นีเป็นเปอยูนาับคนเดอยูน่มันยังไงหเรื่องอาจจะมที่นี hmm. learnt, ่เป็ง ไปจากความงคือไม่เยียดนจะงอ่างน้ น, น อ, อนี้ก็ไม่เหยียจะข่าะไรไปแต่คือว่าต่อเออยอ่นหนกักมอไว้จำเป็นเนาะอันวันนี้นั่าคัวนี้เปคชื่อมันจะเป็นียจะเหตุาเมื่อ้นน <c oughs> วก็การใจบางทีกจะเป็น หมอเขาว่าอายุหกเดือนยี่สิบหเดือนหรอกมากได้ไม่ได้แต่่านอายุแล้วมันยี่สิบวัยหรอกเขาใช้ไหมหอกจ้ามีกระชีสไม่รู้อะไรเตียวนพนห์หอกเตียนไว้ได้ไม่ไหวดูหอบบหอบ้ามัดยางหันมันถิงใจยัง่มึงโดนบาปบาปแกระเบื้บอกกันมากสิ อะไร sao? สิเขาเอายาวมันมีใจก็จะคนก็มีอะไเส็จก็ยากที่จะเสรมีอะไร็นบอกไม่ดนแบบมันมมดมไม่รจากเลยยากง่ายยากอยากคกนห่ค่าต้องหวนมันเนพระเภทเจ้าหัอ่ะมวยห่วมันเกิดเงกุมกิจินภัต คือจะมาในไซน์ยังไงคือด้วยความี่ได้คือเว้นใจตัวเองคือคิดแต่เออตามาตางจปัจจุบันเขาเลยโม้หนึ่งโมเดดียกตัมเยต่อะไรกนแต่ใจจะฟังที่ใจน่ะปฏิวัตเนี่ยในปัจจุบันจะเอาอนาคตมาในปัจจุบันตรง ม de ah. ah. bon um. ันมีว่มันมีว่บนถ้าเิดนทุกงนเอม้แกก็บอกหัวตวใกันมันเปน่างนั้นมันนานไม่ให้บว่าตัวไ่ให้ผมชื่อการไปดูหัวเรื่องหเรื่องคมสว่างเกิดแตว่ามเป็นควันที่จะได้ายยาง เรมเป็นปัญหาอนดมวกอันนี้ถัข้าไปขงเรว่าทาอาจารยมม์เรียนเป็นู้นโยก้กันแต่มาเราถึงเรื่องห้อ ง, งมันเรียนรเราก็พัฒนาทรก็เกเกิดประโยชน์ร่วมกันะะนยยะพเจ้าพรสมากใจโยกกันพ อ, อัน เขาพะไปทำมาสักดีทำปจจัยไหวของสงฆ์ครับสำหรับบำรอยู่วัตถุว่าคือใจตัวสั่งนึงคือเดียวจะเรียนรู้ไปดีอยู่กันสบายครับไปจากพระสงฆ์แต่เบื้องแล้วาเดือนตอนจะพ่อมส่ดอเขาก็ตกปลอกว่าชน จะเสียไปทั้อยู่ใกลท้งหมดทังนี้แต่เดิมที่เราทำมนเป็นเรื่องเรื่งอันนี้เราเอาพาด้หน่อยแต่ปสะวัติเมื่อไห่ก็ไงคนกมีจัดคการชัดเจนอยู่เร้่องสาย เมื่หนึ่งเขบอกว่าต้อไปนอนเนี่ยสงบลงนะคิดเป็นอุปสรรคเหมือนจะว่าว่าไหอิุ่บัันมันมีแตุบันทันนเนี่ยทกทุกเสาขาเนี่ยอืมบรรยากาศเยอจังอเยจ้าีพู่ะอ๋อ ถ้าทำมาสลาเนี่ยโษณาเอ็งมาโฆษณาแบบนี้มัเห็นมั้ยนี่เอาเงินทอนตัวมาแท็กปีทั้งปีมั้ยเอาให้พอที่จะขึ้นได้เดี๋ยวขึ้นจะเป็นไปได้ไอที่ทำงานปมนเรื่อนอันนี้ตงอยากให้มัน yell, สบายหัวพัน วันมันย wow, okay. ah okay. ุ่งไม่หมดเท่าไไว้ก็โอ้ยไ่ได้ที่ได้โอเหนื่อยสบายไม่ได้ปสกอันคันทั้นี้าายงนี้กนองอน่สนุกสเกี่ยวกับบิเกี่ยวกับงานยด้าย ส่วนของปลาหูองเราวันลว่างถือๆจะเป็นทังเหตุใหญ่เลยว่ามันจะจินจริงครับว่าหาหุ้นแท็กตัวใหม่ตลอดดีๆตัวนี้มันมุมเป็นยันตด้เสมอืมมันมีบากตัวขาคาได้ตัวเขาหนึ่ะไรตถือว่าเราวัดเท่าซักขาเท่า กี่โนธันี้จะคอยยังไงกันเลยไม่รู้ไปยันเล่ามายเสียหายคอยาจะไปไหมอยู่ไปเหมนเจ้าอยากไปทหน่อยอกอก็รู้เอง่ได้ีนเกินคนไหมันกิดั่วจนเกินคนไหนมันเกิด มันจัดทังคมรมดเลยามันอยู่ปลายแถวมั่นมันไม่แม่นมันมันไม่แม่นนี่เรเรียกบางอย่ปัจอมันถูกมันคิดแต่ร้้เล่แก่จะคงางน้นอันนี้นี่เราเซทที่นนี้ ธระอยา่าโยมซุ้กคนตนกาตัฒนิใจเรื่องธรรมะสีมามีบ้ไมอย่างมันโมยน้อยมันควนมากธรรมะมันบอกควนมากตรงนั้นมัเรื่องสำคัญเรื่องสาคัญวานนีมันจะพบเรื่องมันจะบกเบิกปัญหาเนี่อวันทุกเกิดธรรมาเนี่ยเื่อมันสาคัญี่องนึง จะวันนี้อืมวันนี้มันก็เป็นสามวันที่สามคนนึงทิ้งมาแล้วคนเราเริ่มตีแล้วคนมันอ่ข้าข้ากเลยมันก็อยู้วก็มันจะกอดก็ข้า เป็นไปอยู่เลยอยู nos. Nos os, ok nos nos itar, nos nos ่ไปก็เป็นไปอยู่ไปเลยนี้ไปอยู่แ้มันชะลอยเห็นไหมเอยมันสะลยเขเชี่ยวอี้ยงอย่างโรคาดเอี้ยงปัญจายังอรคขาดพบกันชั้นกับโรคาดที่ยังกับโรคขาดสบายอยแ่แล้วาคระผสมเท่าไรสัญญาโยมเท่าไรจกต้องกาบห่วง้ะเ้็นห่วงจะเชื่อใจไหม อ า, าแบบจารย์มาอาจารสาวอาจารย์ไม่้องค์พ er ิมพ์แย่จริวะเนีนะ่ยขพราะนั่นนะมาเหมาเห็นแค่ามคนสุภาพนเขาชอบอะไรก็ไปใช้เล ย, ย ม, ววนะมทีทีนี่ขาะนัเนี่ยไม่สมองมาถึงหาวหน้าหัวหนังไวันนี้ดูไปแล้การ อายุร้อนหึร้อนรนนงมวันเสาร์ฤกษ์มาเกิดนยาซ้งฟังแระเซ้งฟมนไรล้วนกนอูหนึ่งเชื่อมถึงเลยมาหาารสู้จเียงศึกมีศร้าการเทียนี้ยแต่เชื่อช้าการเนี้ยมันยังเชื่อเข้ากรรมการู อย่าไปขยายง่านะบอกไป อ, อย่าไปขยายงาเมากไปกต้นนองยอะนระบบบริกรใหญ่ปะานผนำกรรมการสนการก็สาเพราะว่าเา น, นี่ยที่จตเ่เงียบเลยรักษานี่มันเป็นป ร, รักปักกรอยอยู่ในทุกที่ั้นเกที่าจะตามไปกม่นมนแนัเป็นชู้นั่นนน สันท <ológ pool> e ั้งวันเราเคะปวดหรอกสมมติว่าถ้าอย่างคิดก็จติดตรวสมมติเมือวานท้เนี่ยแตมาอยู่แบบนี้นะอย่ไปๆมันตายออกอยู่หมัวไปมันตาย นี่แต่วก้อนมวยมันตายยังตายทำไมถึงวะเขาเจตจิวานเหรอมวยนี้ว่ามันงอมมาแล้วถึงดูมันหันแล้วงพวกเจจิวานดีนะมึงกที่เรนมันเหนื่อยมันโคตรโคตเนี่ยค้ม ที่จะจักเปลืองห้าคุณหมอที่จะทำอะไรท่ะไรไม่ได้ไม่ได้มปาดลูกกระโูกกรมีปาดอาการข้าผูกคนหันน้ามืจักหน้าจะฆ่าก็บอกเขาเอะขนาดไนทำหน้าวนบอกยหลบสบายงดเนี้ยงแต่ไม่ติดใจยังเบิ่งหลบ ก็จะโทรว่าไรรงนี้ยอะไรแบบน้ทุกค น, น, กนเพื่อ้าใจไม่มีนะทางคนทางว่างทางคนทางไปไม่ยุดไปใบหงายไม่ไหวใบหงาจะจะกระโจนลงอถ้าอย่างไรงงกจะสสมาช นี่ังคอบมันไว้สมบูรณะก็ควาเนี่ยถ้าเทดาให้ส้างลคนรวยสนมากีต้องให้ับายบคงที่มีเป็นผูแทนมีผู้แทนนา่นว่าสิดว่าเกีวนื้อหรอหอืมอืมเวทมนต อืมร่างกายกระบวกระบวจอยว่าพร้อมหรอกปวดอยู um ่เว ok ่าพ oh ึ่งรงจังซ่งีมันจ่างีกับพึ่คิดใจมันปล่อยวางมันโมยแบเกี่ยวโยข้า้นทัพเศ้าเศร้ามันบืดว่ามันาน่เห็ตอมันปวดซว่า อาจะเรียนศาสนาหรือมันดุหรือมันด๋อยก็ไม่รจักแตมันเป็นยังไงงงไปทั้งสายทั้งคิดทั้งทางไม่ได้ไม่หวังเลยว่างเลยว่างดูไปช่วงเวลาค่อยๆตายอะนรเนี่ยแค่ความผิตายเองได้ถ้ามัตายก็คุณอะ คือเาคนนั้นี่จะนไหนเจ้าไหม่เัเอันมีวามยืยุวเปยังตพี่สงัวอตงมอพอกันยพ่อกัน่มาพ่อไม่รู้มองอะเขามู่ตัเดนยังไตายไปหายใจตายปตาประโยชน์ยง่นอย่างเงี้ยพอพนนันเนี่ย ทุกสื 30, ่อคำส่มนวันนี้ตามสภาพแรงไรทั้งคานทั้งนิสัยเราควนจะเจ้ามีความมีควเชื่อเป็นธรรมดากาเชื่อมไปนี่เชี่อมไปนี่เชื่อมไปเชื่อมันเชื่อมไปคนที่เชื่อมเยอะเคื่อยจะต้องเยู่มันเชื่อมคือก้อนนแข็งมันเป็นก้อนหน้าแข็มันเป็นก้อน ทำมาว่าม e ันต่างแกนมันแต่เสื่อมเสื่อมไปเสื่อมไปกลายเป็นน่างเป็นที่น่าเป็นก้อนหรือวม้ี่มันเสื่อมังสิบเอ็าจัน้เขาเรียงมันยังยังไงอันนี้เปนสีมนิหารคนนี้มันส้งนนี้เป็นไที่เยอืม้วขาูใอหรือว่าอย่างเี้ยต่าักันเป็นส่วนตัวกัน ก็พอการเดือดเาไปวเราบางครั้งคิดกันนี่ถูกกันนี่ชวะเสทั้งวันโม่คุ้งในันหนอาจรย่ยงยของหลอดร่วงเลยเป็นของกินเลยเป็นของหอดร่วนันฮ่าเพิ่งก็นอกร่วงเช่นหอกร่วงหลอดรนสน มนันจะเป็นการคความคิดที่ดีด อ, อ, อยู่เลยมนะัคค น, คนคือคือมันครอบคคือจะอาโลกมันมันเป็นมันเป็นโลกของสัตวอยู่ของคนคอยู่คนเดียร์ท่านาไปว่าท่าน พ, อพอ่ อ, นพอคอนพอเป็นสัตว์พเป็นคนยังมีชวามมีโลกนั้นเป็ น, ปนคุณยพัสต์ัี มันเป็นหินอยขงี่อผัวขนันก็ว่าจะไหนมาเนีเป็นหินครับผมว่าิ่าว่าติดนอยด้นี่ว่ามันเป็นินี่มันมันมันมยังโด่เพื่อเฉยๆใส่มนมางนมนบง้ที่บีเรนาแห้นที่น หยิ alive, omdat, aju, flaws, ่งแต่เปยังงได้เนมเป็ังมเป็นะร้น่อว่าลนี่ไปยันันมเป็นันียึดอันนี้เป็นอันน้นแล้วก็กาสอดใจีใจ่ใจมันีุ้้วยวพราคอยใจพ่อเาเขาไม่อยใจพ่อเขากระโจนกระแกไว้เท่านั้น วามันยังโลกอยู่ใช่ไหมแว่าโลกนเป็นเป็นโลกขมนุษย์อยู่ัีมนุษย์อยู่ความเป็นโลกในินหินทรายนหนไม่ว่าจะไหนหินทรายไม่ว่าจะไหนมันนยไม่มีคิดอั้อกฉะนั้นถ้ว่าโลกมันเป็นมันเป็นวันโของคอนของมนุษย์ ที่วิ Journey, wo, wo, wo, wo, ัฒนาการวเต็มมนุษย์อันที่นี่คํิ่สอนสอนะไรวันเอนผิวไปสอนท่าสอนคนที่ว่าให้เป็นคนมันเป็นโตมันเป็นของฝอมอยูกดรืนเขาใส่แล้ววาเป็นอย่งี้ขี้หน่อยที่มาขี้น่าต่นอาว้ว่านี่จะคนที่ว่า มันชัวมันหน่่ยมันาซึ่งว่าเป็นทีวีของคนทีวีก็ให้เป็นคนสมบูรณ์คือจะมอ ว, วันนั้นมันเป็นทีวีคนดีของนานของทรายแหนมว่อเือหรว่าไม่หยั่งหรอกเราปฏิบัติไปสิ่ี่มันเปนปัญญาสมมงขึ้ว่าเป็นเนี่อท่านของปฏิบัติไปสู่ผลิตภัณ ไฟผ่านจ่ะวิมินยังหอกทั้งไฟกับวิญญาตหลอกที่จะมนดับรับทุกรับราคระรับโทษรับโมหะรับอะไรและที่นู่ก็เป็นผ่านตะจ้นแล้วอะไที่เป็นข่านพนักเสน่ห์น่ะนี่ผ่านเป็นการับวิมีสีด้านฐานวมหน้าวิมีนสันวิมีหน่อยวมิน่ายวมินอยู่ที่ต่งกิจเนี้ยว่มอยู่ทำงานทวุ พริญาพธฒน์จะมีวงสีสันสัสันฐานอยู่แต่นี่ฉะนั้นคือรับรับกิดิรับราคษโทุกสักการะเกี่ยวญาพัฒน์เกวนะ่ารับมีโกเน่าเล้นะว่าเขอให้ถึงจตปิพัฒน์เนอ่ยนะกฎการขังนานอนถทนนั่นว่ า, ม า, ว า, มาไม่ยสัใจพอขังมาคนนั่นแล้วรับหน้าที่นี่ันกนาพน์หน้าที่ รับสองอาทีก็จะมีพ่านสองอาที้มีพ่านอยู่นี้อยู่กับโลกนี้มีพ่านอยู่กับภาษาท่งสารนี้อย่าเข่าวแก่พิดเันพี่ใชหน้าว่าโมถือกับที่น้ า, านี้มันมีดีนี่ยังมีพ่านมาเป็นวันเป็เมื่องันขนอยากได้อะไรพวกนี้ผ่านมันมันก็สิได้สิเอาตรนนี้ นับนับเจ้สังอุป่าสมงสุขโหนับสังขารนะมีสังขารใะวิชิตประตัวว่าตนว่าเราว่เขามากลัวมึงเป็นสิทธิตตรหนักเป็นมาเท่านั้นรับสังขารเนีย่ยเป็นสุขอย่างยิ่ง สุขปฏิภามในชงน้ำาใจของเาอขามีการเข้าใจ ม, มีคนอตัวทฤษฎสะมะเห็นอสรรคการนำว่าเห็ น, น, นวันที่วิมพอต่อโปเป็นว่าการนำว่เห็ น, นว่าเห็นว่าตอ่อคือต่อว่าี หัญญามนเกิดขึ้นมาที่บริเว้ใข้อเห็นเห็นสีฝาบเสื้อเห็นสีฝาบเสื้อไอ้สมบัต่อยมันอะไรบ้างนีบ้มีอย่ า, า, ย า, าหยห ง, งหรอมีญาตท่างสมุทรพ่อนไปท่านไปเยีเ่ยมครียนหน้าที่สองหน้าที่ขนาดนี้ มันคือคนสร้างกันแน่ทนมันเพือจะไปเงยียบาันอาจจะผสหรือเลาไกนะเข้าไปว่านทิพยาีสมาหน้าที่ขณะนี้สมานในนี้มันไปสร้างกันจะเอยียบอสร้างหูปหัวใจเหยียบอกดีเลยบอกดีดโมรอสมสร้างบอกจินอย่นี้โ คนน้นสอบกสอบตัวท่านบอกินพิ้งกันยากครับเราเห็นท่านที่บอว่าโลกนู้นว่างนู้นเวิดความคืเดี๋ยวสียเอานี้ยไม่เอาเดีที่เอาอยู่เรื่อยเอาอย่งโ่เคือตงมนไดอย่าม่เคยเอาไรมามันใดวะ ให้ดูมันคนอย่งนีู้ร้าเจะค้นวะสาขุนวัดไหนะไจะค้นวะพ้อมนี่คนวะต้นต้นหมดไปทั้งนั้นเลยมันว่างั้งน้นเลยก็ว่างแล้ของที่มันมีอยู่อหย้วยค้เห็นจริจังนีเอาไปฟร้งบ่ไร้สงกุิติปัญญารับไปิปัญญาผู้จัของอืม โบราณนี่เทปอตอมาอัตอไปส้งะไอจะเป็นไมาจาสิพุทไธห์กันเลยมโนสัจจะนีี้กันหเทให้ทุกคนให้พากันสังเกตในเทปคำพูดในเทปนี้เนี่มันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนโคตรไมชัดเจน แต่ครั้งแรกมันโพูดแต่ไม่ออกเลยตามภาษาบ้านเฮาเรียกว่ามันหัวว่าทองมันคุมเคลือบแฟนพูดรู้สึกว่ามันสมองนี่มันวกเก็บไว พานอยู่นั่งทนบุญเลเอือนทำชีวิตทำเจ้าโขดยังถึงมีมนถึงมาให้เป็นพยาธในจิตใจเส ม, มอหนิโม่เลยยิ่งอยู่เท่มันบวกเก็บไว้โม่ที่ต่อไันี่นอกจากเสี้งที่มันเกิดอยู่ในใจอเอาออกว่า นยกังขวบคุมบว่านั้นพูดพทองวัชจนมันพูดวัชจนแต่ก็มัอข้าวก็อาจจว่าดีมันพูดอะไรกัสิถ้าหาว่าโรคมีการรักษามมรถจ็บประปรายุเปิโพูดที่บ่อยอันนี้มั น, นเป็นโอกาสดี กี่ที่ไปกีมื่อนี่ทำมาร่วมไว้ร่วมเทปทั้งหมดนี่ให้ให้วูเรื่องเนละียให้เข้าใจให้เข้าใจยาเป็น่วงกันไหนเป็น่วงก็เอาไวย น, นอกใจเป็นเรื่องธรรมดาเร้าเคย่วงกันมาก พอทํางเมทั้งพีนอนท้งห้องหายไปเท่าไรก็ไปเลิกนะันนี้ความ ห, หักกับความเร้าเพราะว่าเนี่ยมันหมดไปถ้ามันเข้าไปบ้านไปครับไปบ้านไปตายอยู่บ้าน อาเจะบตันรีใจเห็นหนึ่งไม่ตนห่อก็กันหายอือคิดถึงแล้ือท่านเนี่ยสิเใหครบดีเลีนี่ยนั่งทำซ้อนอันนั้นมันตัวโกหกหรมันโกหกมันโมจริงถ้ามันจริงนะมันบอกวเลาะมันไม่เลาะให้อันนี้มันไม่จริงมัจริงม เขาใจอย่างนั้นโลกมันเป็่ยนอย่านั้นอมันเกิดแก่เก็บแตมันเป็นอย่างนั้นเองอให้เป็นอย่างอื่นมันเสพเป็นเพราะขอมันเป็นอย่างนั้นมัน ก, ก็ต้องเป็นอย่างนั้นความมิใจข้อมเชื่ใ จ, ใ จ, ใจเรื่องของข้าคือพิษโกหกอือเพราะนั้นเรื่องของสังขารว่ามย่งนันเกิดมาอย่างไ ก็อย่าไปคิดอะไรมันมากถึงเราไม่กลับไปบ้านขอเท่านั้นไม่กลับไปขอเท่านั้นเห็นไหมถ้าเทานะที่อยู่บ้านน้องจีโอมันเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่ปับจุบันขอรับถือกั น, นตน่างเกียรติกันโกหกข้างนั้น ตายไปก็ร้องให้กี่วันก็งหมดแล้วหมดอนะยากให้พืนคนอื่นเข้าให้เพื่อนเจ้าของอาจจะมากลับไปก็ปจะย่เพ่น ด, ดีใจดีให้มีปัญญาไม่กลับไปก็อย่าเสียใจให้คุณคนมีปัญญามันจะมีอะไรไม่มีอย่าง แม่แท้พอพริวัตเนี่ยพริวัตกลางกลางยิงงูหลังเห็นเดี๋ลาให้อาจร ม, มันมอง่องหรู้สีกันงูกันเยอเกินทำยมถกเป็นดัง ท, ทีท่ไอ้พุแทบแทบให้มา เพื่อให้เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราฟังนีนกยรู้ไหมต้องพอรังเกียดบ้านคงจะขอไม่อยากจะมาให้เหมือนกันจะคิดแค่นั้นก็ได้จะคิดแค่นั้นก็ได้ด น, ได น, นี่มันทำไม่ไ น, นี่ยนอลยาย อ่าจะมามาถึงวันจะเอาอะไรเนี่ยจตอย่อยู่อยู่หายปีก็ยังไม่อะไรไปดูอีกภาวนาอีกเพราะมันไม่มีอะไรในโลกมันเป็ของโลกกินสมบัติของโลกมันมีจังทุกครั้งีตามเป็นเรื่องของโลกโทกุกหกคนรู้เงี้ยนะทุกอย่าง โกหให้เราชอบมั้กหกให้เราไม่ชอบมัโกหกให้เรารักมักหกให้เราังเี่นเรื่องโกหกทั้งนั้นเรื่องโกหืไม่นจะเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะมันจะเรื่องโกหกเรื่องเทนใช่มต้องีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นอะไร โลกมีทุกตัวแคร์โลกแล้วก็สงบเรื่องของสงกเรื่องสุขเรื่องทุกเรื่องของโลกเรื่องของโลกโกหกถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะมาจะกลับไปก็ได้ไม่กลับก็ได้เท่ากั้น พระพุทธองค์เราเห็นไหมที่อย่งางแบบพระพุทธองค์ท่านเกิดท่านคุงกามินาพัฒน์ทำไมท่านไปตายมันกุศินารายมีพานกุศินารายทีย่ไหนทำไมไมึงก็เพียงที่อยู่ทั้งนั้น ที่ไหนเมื่อเรามีชีวิตคนโย่ยที่นั่นค็ไลยบรนเทาผู้ปัจจุบันคนหลักษาง่ายเรียกเลยน้อยในบันเทาเพราะนั้นอยู ท, ที่อากาศก็ตายเหมือนกันคนสุดท้ายที่เห็นแย่งตรงกับรตั้งใจ นี่าขึ้นว่าเรามันขาดทนุนอย่าพึ่งหายใจเรามันได้กำไรเราคือเงิหลวงพ่ออยู่เลยปูนใจหลวงพ่อเป็่องธนั่นคนืโงคนเห็นธรรมะเห็นแต่ของหลอกลวงมาเป็นธรรมะ สรุกหมดแล้วทั้งพระทั้งเมนทั้งยาทั้งโยมทั้งหมดระงับการก่อสร้างทุกอย่างระงับแล้ววดมีกรรมการมอพิธภัณฑ์อย่างนี้ยาไปขระขยอย่ยาไปขยายงานออกมันก้อนเลิกนี่แต่เรื่องที่เราจะรักษาให้มัน สะาดอยู่ได้เท่านั้นมีความกันอยู่ไปเยวะกว่าหมดงั้นให้ฟังเข้าใจทุกคนทุกคนเพื่อใจเป็นประโยชน์แต่จามาจะกลับไปเป็นยอะขึ้น